ที่นี้หลายคนก็เพิ่งมาวัดนะเพิ่งได้ใกล้ชิดนะกับาการปฏิบัติธรรม่หลายคนก็ามาวัดบ่อยนะหรือว่าอยู่วัดนานถ้าไม่เฉพาะวัดนี้เท่านั้นนะอาจจะหมายถึงวัดอื่นก็ได้คนที่มาวัดบ่อยๆหรือว่ามาอยู่วัดนานๆเ น, นี่ย ลองสำรวจตัวเองดูบ้างนะเป็นระยะระยะก็ดีนะว่าเราได้มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างหรือเปล่ามีความเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเช่นจิตใจสงบลงมีความว้าวุ่นน้อยลงมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงเออเฟือ่อเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นนึกถึงคนอื่นบ่อยขึ้น นะผูง่ายคือว่ากิเลสลดลงความหลงนะมันน้อยลงไปนะลองสำรวจดูนะว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่าหลายคนนะมาวัดบ่อยนะมาอยู่วัดนานๆเข้าคอสก็หลายครั้งนะก็สบายนะสบายใจนะเวลาอยู่วัด แต่เวลากลับไปนะจะว่าไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทำงานก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือพอมีอะไรมากระทบเช่นคำพูดหรือเพียงแค่ลมปากเท่านั้นหละนะจิตใจก็วันไหวนะโกรธบางทีก็ถึงกับคุมตัวเองไม่อยู่มันสั่งให้ด่าก็ดา่านะความโกรธอะ นะมันสั่งให้ทำรารเข้าของก็ทำหรือว่ามันสั่งให้เผาลนจิตใจตัวเองบกมุ่นกุ้มใจนะก็ก็ยอมทำตามมันหลายคนมาวัดเนี่ยนะหรือว่ามาอยู่วัดก็มีอาการแบบเนี่ยคือว่าถ้าไม่มีอะไรมากระทบก็สบายใจนะแล้วก็เลยมาอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าอยู่ห่างไกลาจาก คนที่ตัวเองเนี่ยขัดเคืองใจเช่นอยู่ไกลจากลูกอยู่ไกลจากสามีภรรยาหรือว่าไม่ต้องรับผิดชอบงานการที่บ้านนะไม่ต้องรับภาระนะในที่ทำงานห่างไกลจากเพื่อลงงานที่ไม่น่ารักที่ทำตัวน่าระอาจูจีขี้บ่นเป็นต้นพอมอาอยู่วัดเออมันห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ รู้สึกสบายใจนะแต่พอกลับไปเหมือนเดิมก็เลยต้องกลับมาวัดใหม่นะเพราะว่าจำได้ว่าอยู่วัดแล้วมันสบายไอการมาอยู่วัดนะหรือว่าการมาวัดด้วยเหตุผลแบบนี้นี่แม้มันจะดีนะดีกว่าไปหาเล่าไปหายาเป็นทางออกหรือว่าไปเที่ยวผับเที่ยวกลางคืน เพื่อลืมความทุกข์ชั่วคราวมาวัดแบบนี้เนะี่ยมาวัดเพื่อความสบายใจมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่พอนะเพราะว่ามาวัดแบบนี้เนะี่ยเหมือนกับว่ามารับเอาอยา ก, ก่องประสาทไปหลายคนมาวัดหรือเข้าหาธรรมก็เพราะว่ามันเหมือนกับยาที่กล่องประสาทคลายเครียดนะเวลามาวัดก็สบายใจวันสองวันก็ยังดี นะสิ่งแวดล้อมก็สงบผู้คนก็พนะู้ใจาภายัยเราะไม่มีการจองจับผิดหรือติชิ้นินทาหรือที่จริงก็ต่างคนต่างอยู่ไม่พูดไม่จ่า ก, กันดะ้วยซ้ำก็สบายใจแต่ว่าจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะว่ายัางเป็นคนขี้โกรธเหมือนเดิมยังเป็นคนที่ชอบฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพอกลับไปนะ กลับไปบ้านกลับไปทำงานนะพอมีใครพูดอะไรสักอย่างที่ไม่ถูกใจหรือพอมีใครทำอะไรที่ไม่ชอบเจอเหตุการณ์นะที่ไม่ไม่ประสงค์เอาเช่ง่ยง่ายรถติดเนี่ยนะก็หงุดหงิดเลยนะบางคนนะไปไปธุระไปศูนย์การค้า หรือว่าจอดรถทิ้งไว้เนพะื่อไปทำกิจบางอย่างพอออกมาเอกกัว่ารถเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามีคันจอดซ้อนอยู่ปิดทางเอาไว้นะโกรธนะถึงขั้นสติแตกนะหลุดปากด่าออกไปนะ คนที่ทำอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระคนทั่วไปดีนะางทีก็เป็นคนวัดหรือคนที่มาวัดอยู่บ่อยๆบางคนก็พึ่งพึ่งนั่งสมาธิเสร็จด้วยซ้ำนะแต่ตอนนั่งสมาธิเชา้ากลางวันก็สบายใจนะเพราะว่าบังคับจิตไม่ให้เป็นนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะสิ่งแวดล้อมก็สบายนะอากาศก็เย็นพาะติดแอร์ ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีภาพอะไรที่จะมากระตุ้นให้จิตกระเพื่อมนะสบายนะแต่พอออกจากสมาธินะจะกลับบ้านเจอรถของตัวเองออกไม่ได้นะด่าเลยนะหรือบางทีขณะที่ขับรถนะมีรถบางคันปาดหน้าก็ตะโกนดา่าเงี้ยมันอากับกิริยามันไม่เหมือนกับตอนอยู่วัด ตอนอยู่วัดนี่สงบแต่พ อ, อ, อกไปข้างนอกเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าเขาไม่ได้มาวัดเพื่อจะมาฝึกจิตฝึกใจเท่าไหร่มาวัดเพื่อจะมาเสพความสงบนะมาวัดเพื่อจะรับเอานะความสงัดหรือว่าความสบายอันนี้เรียกว่าใช้ประโยชน์จากธรรมะหรือจากวัดเนี่ยน้อยไปนะ เพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่เป็นแค่ยากรระสาส ห, หรือแอสไพรินที่ทำให้สบายชั่วคราววัดหรือธรรมะเนี่ยน ะ, ะสามารถจะให้เราได้มากกว่า น, นั้นแต่เป็นเพราะเราไม่ค่อยมีความเพียรพยายามเท่าไหร่หรือว่าประมาทก็ได้อพอมาวัดเนี่ยเออมรยากาศมาสงบไ ด, ได้ได้ฝึกจิตให้มันอยู่นิ่ง ไม่ต้องคิดนั่นคิดนี่สบายใจแค่นั้นพอละแต่ที่จริงยังไม่ได้ฝึกนะให้มันถูกต้องเท่าไหร่เลยนะโดยเพพาะการฝึกให้มีสติความรู้สึกตัวอาการมาการมาที่ที่สงบสงัดแล้วเนี่ ย, แ ล, ยแล้วจิตใจมันก็เลยพลอยผ่อนคลายสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ต้องปฏิบัติทมหรอกนะแค่มาอยู่วัดเนี่ยอยู่สบายสบาย ตื่นเช้าก็มาทำวัดนะเสร็จแล้วก็ทำกิจนะส่วนตัวบ้างส่วนรวมบ้างนิดหน่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามไปตามแบบแผนไม่มีอะไรติดขัดราบรื่นชีวิตก็มีความสุขนะไอ้ความสุขหรือความสบายใจแบบนี้เนี่ยนะมันยังไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของเราจนกว่าเวลามันมีอะไรมากระทบนะมีอะไรมากระทบ คนที่พูดไม่ถูกใจหรือทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่ในอำนาจของเราเป็นลูกน้องเราเป็นลูกของเราหรือเป็นคนใกล้ตัวเนะีเรารู้สึกอย่างไรนะใจมันกระเพื่อมมันขุนมัวไหมนะอันนั้นแหละนี่เป็นเครื่องเครื่องเครื่องวัดนะความความก้าวหน้าของเรานะในการมาวัดหรือในการปฏิบัติ ไอ้แค่ความสบายนะอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเพราะว่าอาจจะสบายเพราะทุกอย่างมันราบรื่นก็ไดนะ้ในสมัพุทธกาลมีเศรษฐีนี่คนนึงนะชื่อนางเวเทกิกาเธอก็เข้าวัดอยู่บ้างนะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็สึกสบายวันหนึ่งเนี่ยนะนางทาสีหรือคนใช้เนี่ยอยากจะทดสอบว่า ที่นางคุยว่าเนี่ยที่นางสบายสงบแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมมาจริงหรือเปล่านีนางก็แก่นอนตื่นสายนะพอนอนตื่นสายเนี่ยนะก็ไม่มีใครเอาน้ำมาให้นะไม่มีใครเอาน้ำมาให้ล้างหน้านะแล้วก็ไม่มีใครจัดตาเตรียมอาหารนะมันสะดุดไปหมดนางก็โกรธนะ โกรถึงขั้นวยวายดาทอเลยนะด่าจิกหัวนางทาสีคนนี้ทันทีนางทาสีคนนี้ก็เลยเลยชี้ให้เลยพูดให้ได้คิดนะว่าเนี่ยที่ท่านจิตใจสงบสบายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปฏิบัติอะไรหรอกนะเป็นเพราะใครต่อใครเนี่ยนะทำตามท่านหรือว่าทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นถ้าพอมีใครมาทำอะไรไม่ถูกใจเพียงแค่ นอนตื่นสายเนี่ยท่านก็โกรธแล้วนะอันนี้ก็เป็นการชี้เห็นว่านะไม่ได้สงบสบายเพราะว่านะปฏิบัติแต่ลหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าทุกอย่างมันราบรื่มมันโอเคเลิศเลอเพอร์เฟกต์ต่างหาแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเลิเลอเสมอไปนะมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเราบ้างบางทีอยู่วัดนะเนยังไม่ทันจะออกไปข้างนอกเลย เพียงแคนะ่ได้ข่าวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับลูกนะได้ข่าวเกี่ยวกับปัญหาในที่ทำงานนะอาจจะเห็นจากข้อความทางลายทางเฟซบุ๊กหรือว่ามีคนนะโทรสั์มาเล่าให้ฟังก็เสียสูญแล้วนะจิตกระเพื่อมนะใจนี่ปั่นป่วน ตั้งที่มาอยู่วัดนะต้องนานนะอยู่วัดมานานไอ้เจอาับนี้นี่ต้องถามนะว่าเออทาไมเราจะยังทำไมเราจึงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแทนที่จะไปบ่นว่าลูกทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นนะคิดปรุงไปเลยนะคิดปรุงไปยืดยาวแปลกนะไอ้เรื่องผมพูดแบบนี้พูดแบบนี้เนี่ยพอมันเราได้ยินเนี่ยนะเราไม่สบายใจนะ แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็หลงเพลินไปกับการคิดเรื่องนั้นคิดยาวเหยียดเลยเพียงแค่เข า, เาได้ข่าวค่าวว่าลูกไม่สบายเท่านั้นแหละคิดยาวเหยียดนะนะปรุงแต่งไปต่างๆนา น, นานถามว่าระหว่างที่ปรุงแต่งนี่ทุกไหมทุกแต่ก็ปรุงไปอย่างเพลิดเพลินมากนะลืมลืมเวลาไปเลยนะบางทีเวลาผ่านไป ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอะไรเพราะจมอยู่กับการคิดเรื่องนั้นนะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่คิดแล้วร้อนใจนะแต่ว่าก็อดคิดฟันฟุ้งปรุงแต่งไม่ได้นะเวลาได้ขา่าวมีคนมาว่าเรานินทาเราให้คนนั่นคนนี้ฟังหรือมาต่อว่าเราต่อหน้าต่อตานะพอมาคิดถึงเรื่องนี้ได้นี่ใจมัน นะเข้าไปจมอยู่การโต้เถียงกันนะโต้เถียงนะเป็นวักเป็นเวียนอยู่ในหัวนะนานเป็นชั่วโมงก็มีบางทีทำขณะเดินจงกรมได้ซ้ำนอะ่ทำไมเวลามันผ่านไปเร็วอย่างนี้ทั้งที่ไอ้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราชอบเลยนะแต่ทำไมเราเพลินกับการคิดนะหลายคนเนี่ยเวลาไม่พอใจนะเวลาคิดเรื่องพวกนี้แล้วไม่พอใจก็จะโทษคนนั้นคนนี้ โทษลูกโทษเพื่อโรงงานโทษลูกน้องนะในระหว่างคิดในะรหว่างฟูง้งปรุงแต่งเนี่ยนะแต่ว่าลืมกลับไปมองว่าทำไมนะเราถึงเพื่อเพลินกับการคิดทำไมเราถึงคิดแบบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักย้อนยาวเหยียดไปเลยทั้งที่คิดแล้วก็ทุกคิดแล้วก็ร้อนใจนะแต่ว่าก็วางความคิดไม่ได้เคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่านะถ้าถามตัวเองหรือสังเกตตัวเองจะพบวโอ นี่เป็นเพราะเราฟุง้งนะที่เราฟุ้งเพราะเราเผลอเราลืมตัวนะ ท, ทันทีที่เห็นตรงนี้แหละนะมันจะได้คำตอบว่าทำไมเราจึางเป็นอย่างนั้นนะหลายคนไม่ค่อยถามตัวเองนะว่าทาไมเราต้องทุกเพราะเรื่องนี้มีแต่โกรธมีแต่โมโหว่าทำไมก็ทำงง ท, ำกทำอย่างนั้นทำไมก็ททำอย่างนี้แต่เราไม่เคยถามตัวเองว่าทำไมเราทุกข์เพราะการกระทาของเขาอย่างนี้เท่านั้นนะ อย่างเวลาเจอรถติดเนี่ยหลายคนก็จะบน่นทำไมมันติดอย่างนี้นะนี่วันวันอาทิตย์นะแต่เช้าทำไมผู้คนมันไม่อยู่บ้านกันทำไมออกมาแห่กันมาพร้อมๆกันเลยหลายคนบ่นอยู่ในใจแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าทำไมต้องทุกข์กับการที่รถนะมันติดเท่านั้นนะแค่รถติดแล้วก็ทุกข์แล้วเนี่ยถามตัวเองบ้างหรือเปล่านะถ้าถามตัวเองก็จะพบว่าเนี่ยโอ้มันเป็นพ่อใจเรานะ่ รถติ่มก็เป็นเรื่องของมันนะแต่ว่าเป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่รู้จักวางให้ถูกนะมันก็เลยโมโหเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเรื่องแค่นี้เท่านั้นแหละนะและทั้งนั้นที่คิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราทุกข์นะมันรุ่มร้อนนะแต่ก็ไม่ยอมวางนะทำไมถึงคิดเป็นวักเป็นเวนนะก็จะได้คําตอบเป็นเพราะเราลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีสติอ้าวเรามาอยู่ที่วัดนี่เรามาฝึกสติไม่ใช่เหรอ ทำไมมาอยู่วัดนะเป็นเดือนเป็นปีแล้วนะทำไมสติมันยังไม่ก้าวหน้านี่เป็นเพราะเราทาความเพียร น, น้อยหรือเปล่านะลองถามตัวเองบ้างนะแล้วมันก็จะพบว่าอปัญหาหรือสาเหตุมาอยู่ที่ตัวเราเองนะอยู่ที่เราทําความเพียรไม่พออยู่ที่เรายังปล่อยใจให้หลงนะอยู่ที่เรายังไม่รู้จักนะรู้ทันความฟุ้งซ่าน ถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยนะมันทาให้เรารู้หรือตะห น, นากโอนี่เรายังทําความเพียรไม่พอเรายังปฏิบัติไม่พอถ้าเรามองแบบนี้เห็นแบบนี้ได้เนี่แสดว่าการมาวัดของเราการมาอยู่วัดเนี่ยนะมันมันมีประโยชน์แล้วนะมันคุ้มค่าแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่เป็นปีนะหรือว่ามาเป็นเดือนนะก็ยังเหมือนเดิมพอมีอะไรมากระทบนะไม่ว่าทางตาเช่นข้ อ, ขอความที่เห็นทางลาย หรือการกระทําของใครบางคนที่มันนะไม่ถูกใจเรานะแค่ไม่ถูกใจเนี่ยหรือคําพูดนะที่มากระทบหูนะหรือว่าแดดร้อนที่มาสัมผัสกายเมื่อพอเจอบางทีเลยนะพลาดท่าเสียทีมาทุกทีนะให้เรานะลองนะถามตัวเองว่าเรามาวัดทําไมมาวัดเพื่ออะไรนะมาวัดเพื่อการผ่อนคลาย นะสุขสบายชั่วคราวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ทำความเพียรพยายามเท่าไหร่นะหลายคนมาวัดเพื่อเหตุ น, นี้นะมาแล้วเพื่อความสบายใจชั่วคราวเช่นได้มาทำบุญนะได้มาสดอเคราะห์ถวายสังฆทานนะหรือบางทีก็มา บ, นบาน่นบานนะทำรับสบายใจอันนี้ก็ยังดีนะยังดองีอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันดีกว่าไปหา เล่าหาบานะเป็นที่พึ่งบางคนก็มาวัดนะก็เพื่อจะได้ฟังธรรมะฟังธรรมะแล้วสบายใจบางคนมาวัดเพื่อได้มาสวดมนต์สวดมนต์แล้วมันจิตใจมันสงบนะแต่ก็แค่นั้นแหละนะมาแบบนี้แล้วมาเพื่อให้มาหาสิ่งกล่อมใจมาหาสิ่งปลอบประโลมนะซึ่งมันให้ผลชั่วคราวมันทำให้เกิดกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราว แต่พอกลับไปเจอของเดิมกลับไปเจอบรรยากาศเดิมก็เสียศูนย์นะหรือว่าสติแตกเหมือนเดิมปีติยังไงก็ยังปีตเหมือนเดิมนะท่าั้งที่เข้าคอสมาหลายครั้งแล้วอันนี้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงจังหรือปฏิบัติไม่ถูกนะหรือบางคนก็ไม่ได้คิดจะปฏิบัติด้วยซ้ำนะเพียงแค่มาฟังอะไรที่มาสบายใจหรือมาทาอะไรที่ทาให้สบายใจชั่วคราว ้คนฉลาดนี่ก็ต้องก็จะไม่พอใจคืนี้นะเขจะต้องฝึกจิตฝึกใจด้วยพยายาฝึกจิตนะความหมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งนะอันเนี้ยที่ผู้เจ้าตรัสนะหนึ่งในหประการของโอวาทปาติโมกเนี่ยสำคัญมากนะความหมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง ไม่ใช่แค่ให้ฐานรักษาศีลหรือว่าทำบุญเท่านั้นนะแต่ว่าต้องฝึกจิตฝึกใจแล้วก็ต้องฝึกจริงๆต้องทำความเพียร น, นะไม่ใช่แค่ว่าเออมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมสบายใจนะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมต้องทำความเพียร น, นะปฏิบัตนะิการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกนะโดยเฉพาะคนที่มาใหม่หรือไม่แต่คนเก่าก็เหมือนกันนะ เราปฏิบัติที่พระการเจริญสติเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อควบคุมความคิดไม่ใช่เพื่อให้มันหยุดคิดนะไม่ใช่เพื่อให้มันคิดแต่เรื่องดีๆนะเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดได้นะเพราะว่ามันมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจของเราแต่เราเราฝึกเพื่อที่จะไม่ให้ความคิดเหล่านี้มันมาควบคุมเราความคิดเนี่ยนะเราควรเป็นนายมัน แต่บ่อยครั้งเนี่ยเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรานะีมันคิดตะพื้ตะพือหยุดไม่ได้นะแม้แต่เวลานอนก็นอนไม่หลับนะเพราะมันคิดไปเรื่อยเราปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายเราเราจึงทุกข์การปฏิบัติไม่ใช่เพื่อให้ไม่ให้ไม่มีความคิดเพื่อให้หยุดคิดไม่ใช่แต่เพื่อว่าแม้มันจะมีความคิดเกิดขึ้นแต่มันทําอะไรเราไม่ได้ เพราะเราเห็นมันนะมันจะคิดร้ายนะคิดลบยังไงเออเราก็รู้ทันนะไม่ปล่อยให้ความคิดร้ายมันมากลายเป็นไฟเผาลนจิตใจนะพอเราคิดร้ายเนี่ยคิดถึงความไม่ดีของใครบางคนหรือนึกถึงคําต่อว่าด่าทอองเขาเนี่ยนะถ้าเราวางใจไม่เป็นนะเราจะทุกข์เลยนะแล้วเราก็จะเผลอจมไปปรุงแต่งเรื่องนี้ยืดยาวนะ อันนีเ้เราปล่อยให้มันมาควบคุมเรานะมันสั่งให้เราดา่าเราก็ดา่ามันสั่งให้เรากั่นแกล้งเ้าเราก็ทำนะเสร็จแล้วเราก็เดือดร้อนนะบางทีมันสั่งให้เราขโมยเพราะความโลภเราก็ทำมันสั่งให้เรานะทุจริตเพราะอยากได้ข้อสอบได้คะแนนดีๆหรือว่าจะได้รวยเร็วๆ เ, เราก็ทำอันนี้เราเรายอมให้มันมาควบคุมชีวิตจิตใ จ, จของเรา หรือแม้แต่ขณะที่นั่งภาวนาเนี่ยนะความคิดพอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มักจะปล่อยให้มันเล่นงานเราเราจึงลำคาญเนี่ยเราจึงรู้สึกงุนงงกับความฟุ้งซ่านแต่จริงความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะมันเกิดก็เกิดไปแต่เราไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมเล่นงานจิตใจทำยังไงก็คือด้วยการที่เราเห็นมันเห็นมันเห็นมันด้วยอะไรเห็นมันด้วยสตินะเห็นมันด้วยสติ เพราะว่าสตินี่มันเหมือนกับตาในนะตานี่คือตาเนื้อเอาไว้มองสิ่งภายนอกแต่ส่วนสตินี่คือตาในเอาไว้ให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอมีอะไรมากระทบนี่มันปรุงนะเป็นความคิดและก็อารมณ์เราสังเกตไหมแต่ถึงแม้มันเกิดขึ้นมาไอ้ความคิดและอารมณ์เนี่ยแต่มันทําอะไรเราไม่ได้เราก็เห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่แค่ความคิดแต่อารมณ์ด้วย เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้มีอารมณ์หรือเพื่อได้นะไม่มีความโกรธนะแต่เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความโกรธนี่มันมีอํานาจเหนือเรานะมันเกิดขึ้นก็เห็นมันนะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเมื่อไหร่นะหรือไม่รู้ทันนะก็จะปล่อยให้มันครอบงำจิตใจแล้วก็บังคับบัญชาบงการทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ใจ โดยเพราะที่ใจเนี่ยมันจะเกิดเป็นความร้อนความรุ่มร้อนความกระวนกระวายบางคนมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะเอาความสงบชั่วคราวก็เลยบังคับจิตไม่ให้คิดบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่ลมหายใจบ้างบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่คําบริกรรมพอมอยู่คําบริกรรมเนี่ยมันก็สงบนะสงบแล้วก็เพลินความสงบเพลินกับสมาธินะอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะมันจะกลายเป็นการติดนะติดความสงบติดสมาธิไป ในภาวะนั้นเนี่ยไม่ได้รู้ตัวแล้วนะมันเป็นความสงบแบบหลงนะหลงสงบหลงหรือติดในความสงบก็ทำให้เพลินสบายใจมีความสุขแต่ปัญหาคือพอไปเจอในที่ที่มันไม่สงบเนี่ยนะจะงุนหงิดง่ายมากนะเพราะว่าติดในความสงบเมื่อนคนที่ติดอาหารอร่อยนะติดอาหารอร่อยนะถ้าไปกินอาหารที่ไหนเนี่ยมันไม่อร่อยเนี่ยโอ้ จะงุดหงิดมากเลยยิ่งเป็นร้านหรูราคาแพงเนี่ยจะยิ่งไม่มีความสุขกับการกินถ้าเท่าที่อาหารรสชาติก็ไม่ได้เวลวร้ายมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่เหมือนที่เราเคยกินติดความอร่อยไปที่ไหนก็ลำบากมาวัดก็ลำบากนะติดความสบายนะห้องนอนก็ต้องมีนะติดแอร์ต้องมีบาะ ไปที่ไหนก็ลำบากไปที่ไหนก็มีแต่ความหงุนหงิดนะขุนมัวเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างที่ต้องการมันไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาติดความสงบก็เหมือนกันนะพอไปพอหาความสงบไม่เจอหรือพอไปเจอที่ทมันรุ่นวายเนี่ยจะหงุนหงิดขึ้นมาเลยและพอเห็นนี้เนะี่ยพอมีอะไรมากระทบอาจจะเป็นคำพูดหรือว่าข่าวร้ายเนะี่ยใจมันก็ สติแตกขึ้นมาได้ไง่ายๆนะเพราะว่าคิดปรุงแต่งไปตระนาตาเกิดความกิวิตตกกระวนกระวายคิดยืดยาเป็นชั่วโมงถ้าเป็นรถไฟก็หลายขาบวนทีเดียวเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่รู้จักคิดนะโอ้นี่เป็นเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่พอนะนะเป็นเพราะว่าเราไม่มีความเพียรเวลาเรามาวัดนี่ละเอาแต่นะใช้ชีวิตเหมือนที่บ้านคือทาตัวสบายๆนะเพียงแค่มาทาวัดนะ แล้วก็มาสวดมนต์ฟังธรรมนะสบายใจแลวะวกลับไปที่กุตติก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำความเพียรพอได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับที่บ้านนะเกี่ยวกับที่ทำงานเกี่ยวกัคนนั้งคนนี้ก็ร้อนใจหรือขุ่นมัวหรือหงุดหงิดก็กลับไปสู่ร่องเดิมวัตจักเดิมนะให้ถ้าเจอแบบ น, นี้ให้กลับมาถามตัวเองว่าเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะนะโชคชะตามไม่ค่อยดีเป็นเพราะข้อกรรมนะเป็นเพราะเขาพูดอย่างนี้กับเราเป็นเพราะเขาทาอย่างนี้นะหรือเป็นเพราะใจของเรานะที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางใจที่ไม่รู้ทันนะความคิดถ้าท่านที่อยู่วัดหรือว่ามาติดมาปฏิบัติก็บ่อยครั้งนะแต่ถ้ามันไม่มีวิชาวิชานี่ที่ทําให้เรารู้ทันนะความคิดรู้ทันอารมณ์ นะอันนี้ก็ถือว่าเสียโอกาสนะบางคนก็คิดแต่ว่าจะหนีปัญหานะปัญหาอยู่ที่บ้านคิดว่าปัญหาอยู่ที่บ้านก็หนีมาวัดปัญหาอยู่ที่ทํางานก็หนีมาวัดแต่หารู้ไหมปัญหาจริงมันอยู่ที่ใจเราเองก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะเวลาเรามีความทุกข์เมื่อมีอะไรมากระทบเนี่ยนะแทนที่จะส่งจิตออกนอกแล้วก็ไปโทษคนนั่นคนนี้ลองกลับมาดูใจเราว่า มันมีความผิดพลาดที่ตรงไหนนะทำไมเราถึงปล่อยวางไม่ได้ทำไมเราถึงคิดยืดยาวนะแล้วจะพบคาตอบว่านะเป็นเพราะเราเนี่ยไม่ได้ทําความเพียรมากพอนะเราไม่ปฏิบัติจริงจังนะเราไม่คิดที่จะลดละกิเลสไม่คิดที่จะสร้างตัวรู้ให้มันมากขึ้นนะเรามาเพียงแค่สบายใจชั่วคราว พอสบายใจแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ต้องปฏิบัติแล้วคนเราเป็นอย่างนี้พอสบายใจก็เลยไม่อยากปฏิบัติตั้งที่ตอนที่มาวัดมาด้วยความร้อนใจมาด้วยความทุกข์อยากจะมาปฏิบัติมันจะได้หายทุกข์แต่พอมาวัดเออบรรยากาศมันสบายพอสบายปุ๊บก็เลยไอความตั้งใจจะปฏิบัติก็หายไปละลืมไปเลยคิดว่าไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ฉันสบายใจแล้วอันนี้ประมาทมาก เพราะว่าที่มันสบายใจเนื่องจากยังไม่มีอะไรมากระทบนะแต่พอมีอะไรมากระทบเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมปี๊ดเหมือนเดิมฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเออะโวยวายบนตีโพยตีพายเหมือนเดิมนะถ้าเหมือนเดิมแบบนี้นี่มันแสดงว่าการมาวัดนะการอยู่วัดของเรามไม่พัฒนาเท่าไหร่นะก็ต้องปรับปรุงนะแก้ไขให้มันดีขึ้นเอาละชาติพุ่งกันเท่านี้